มาศึกษาตัวเองมาลู้ตัวเองมาดูตัวเองมาเห็นตัวเองจงรู้จักตัวเองคำนิหมายเกอคนพกเที่ยวได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกพัวบานอยู่ในเรานี้อย่าหลงมีสติมีสัมปชัญญะ มองตนน้องกับถ้าจะเปรียบเหมือนดวงตาก็กลับมันคลื่นเข้ามาอย่าให้ออกไปข้างนอกเหมือนหลอดสองเงาในกระจกไม่ออกไปข้างนอกแต่มันสะ ท, ท่อนมองเห็นตัวเองนั่นคือลู้โลกรอกโล ก, โลกเวลานี้เรามาฝึกหัด ให้มันเห็นทําให้มันเป็นมันจะมีอะไรแสดงออกมาจากายจากใจแปลี่นแปลสีพันอย่างเยือนให้จบเยือนให้ครบในความไม่เที่ยงมันก็มีในความไปทุกข์ก็มีในความไม่ใช่ตัวไม่ใช่อตนก็มีอยู่ในรูปในกายนี้ ให้เห็นให้เห็นกายเป็นกายเป็นตัวเป็นตนเอากายเป็นตัวเป็นตนตมร้อนคือกูความหนาวคือกูความหิวคือกูความอะไรคือกูเอากายเป็นกูเกิดภพเกิดชาติอยู่ในกายพอใจไม่พอใจอยู่ในกาย ถ้าเราดูไปดูมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปก็เห็นเป็นรู ป, นน ม, ป, ปมันก็แตกแานเหมือนเราเรียนรูปอะไรมาแตกแข น, นท่านทั้งหลายเรียนสาณสุกมาแตกแขนเห็นายเห็นโลกสมุทฐานของโลก ถ้าเห็นโลกเห็นสมุทฐานของโลกโกล็รู้จักวิธีรักษาให้อยู่ให้ยาหายจากโลกได้ไม่ใช่รูปร่างกายมันรู้เข้าไปกว่านั้นเห็นกายเห็นรูปดูไปดูมาไม่เป็นรูปมันเคลื่อนไหวมันรู้มัน เคลื่อนไหวของกายมันก็รู้เคลื่อนไหวทางจิตใจมันก็รู้ให้เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันมันจะแดงบางทีมันเป็นอาการมันเป็นธรรมชาตินั่งนานมันก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงในรูปนั่งก็แก่แย่ในรูปนั่งแล้วก็เจ็บในรูปนั่ง ในความคิดก็เมือนกันเกิดขึ้นไหนความคิดเป็นพวบเป็นภูมิต่างๆพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นในความคิดแต่ก่อนมันก็เป็นปกติเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นเป็นความโกรธความโลภความหลงเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตความร้อนความหนาวความปวดความมื่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปไม่ใช่ ตัวช้ยตนเป็นธรรมชาติของเขาตามควาเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเราก็เห็นอยาเข้าเป็นกับเขาจนขี้หน้ามันนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์ในชิงไหนมันไม่เที่ยงสิ่นนั้นไม่ใช่ตัวตนเชิงไหนไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวต น, อ, น, น, น, น, ตวตนอย่แปลความทุกข์เป็นตัวเป็นตน เป็นทุกควผมไม่เที่ยงเป็นทุกข์พรมเป็นทุกข์เป็นทุกข์กวรมร้อนความหนาเป็นทุกข์พรมหิวเป็นทุกข์พรมเพียบพรมปวดมันเป็นอาการของเขามันเป็นเช่นนั่นเองเป็นเป็นของที่มันมีอยู่อย่างนั้นมันไม่ฟังเสียงใครอันรูปอันนามนี่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมเภะดูเมาก็หลงได หลงในความไม่เที่ยงหลงในความเป็นทุกข์หลงในความไม่ใช่ตัวตนหลงไปในความคิดหลงไปในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไปเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอาการว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนไม่ใช่แล้วหลงไปแล้วมันมีหลายอย่างให้เห็นให้เห็นอย่าเป็นมันบอกง่า ย, ยานะ เห็นรูปจะไม่งูเพราะรูปจะฉลาดเพราะเห็นรูปเห็นน้ำจะฉลาดเพราะเห็นน้ำฉลาดในความหลงในความหลง ради. เกิดความฉลาดเหี่ยนหลงเป็นความฉลาดเป็นความรู้ไม่งูเพราะความหลงไม่ง้เพราะความทุกข์ไม่งูเพราะความโกรธไม่งูเพราะความเลอะความชังไม่ต้องํำตามมัน มันก็ฉลาดก็ใช่กายใช่ใจใช่รูปใช่ดัมเป็นเหมือนเราใช่อะไรมีอะไรก็ใช่สิ่งนั้นมีรถก็ใช่รถเป็นมีล่อมีเขียนก็ใช่ล่อใช่เขียนเป็นมีวัวมีควายก็ใช่วัวใช่ควายเป็นแล้วก็ต่างกันมีอะไรก็ใช่เป็นมันก็เป็น สิ่งที่ให้เราใช้ไม่ใช่สิ่งที่ทาให้เกิดทุกข์เกิดโทษมีให้ใช้ถ้ามันหิวก็มีให้เราใช้ถ้ามันร้อนก็มีให้เราใช้ถ้ามันหนาวก็มีให้เราใช้ตามสภาพของเขามันเป็นสัญญาณภัยเราจะต้องดูแลถ้าใช่ไม่เป็นก็จิบหายจิบ ห, หายเพราะการใช่ไม่เป็นรู้จักทักท้วง เวลามันหลงเวลามันทุกข์เวลามันโกรธอย่าทําตามสิงเหล่านั้นให้รู้สักเมือราใช่หัวใช้หัวหัวควยบางตัวมันก็นิสัยต่างกันหัวาบางทัวเทียมเกลียนเพียงแต่เจ้าของยกไม่เหลียวขึ้นมันก็รู้เพียงแต่กระดิกสายธรรมมันก็รู้ จะให้ไปทางไหนมันก็รู้มันก็หัดมันทำเป็นถ้าหัดให้มันเป็นมันก็ไม่ต้องมีเชือกก็ได้มันก็จะหลบจากดีกไปเองหลบไปเองมันเห็นต่อตรงไหนมันจะไม่ขึ้นต่อมันหลบไปเองถึงเวลามันขึ้นชันมันก็ก้มคอลง เพื่อจะให้แอกมันต่ำลงมาเพื่อมันดันได้ง่ายแล้วมาหลงต่ํมันก็ยกคอมาขึ้นเพื่อจะให้แอกที่ติดอยู่ันคอมันไหลลงไปมันก็ใช่ได้หัวยเทียมเกียนหหวยเทียมค่าเทียมถ่ายเวลาถ่ายมันถุกลากไม้ในดินเราไม่เห็น เราลูกมันเท่ากับหอยที่เถียมไถเมื่อไถมันถูกค่าลากไม้ดินมันก็ไม่ดันเราเที่ยนเราตีขนาดไหนมันก็ไม่ไปเพราะมันถ้าดันมันดันไม่ได้เลยหอยจะหักข่าวจะขาดมันไม่ดันถ้าเราตีมันกอกไปข้างๆไม่ดันไปข้างหน้าค่อยๆมันบอกเรา อันนี้มันดันไม่ได้เดี๋ยวไถจะหักนะล้วก็เห็นมันไม่ดันให้เราเราก็อย่าไปบงังคับมันลองเอามือค้ำลงไปหัวหมูของไถที่มันอยู่ในดินจะไปเห็นรากไหมมันติดกับหัวหมูอยู่เราก็ถอยออกมานั้นลูกกว่าเราบางที แบางทีมันก็ดื้อนะมันไม่เป็นเห็นถูกน้องไม่ถูกไม่ถูกลากไม่ก็ดันอยู่มันไม่รู้แล้วก็ไถหักถ้าเป็นวัวก็เปลี่ยนหักคนเราก็เหมือนกันเมื่หวนทุกข์ก็ยังดันอยู่ในความทุกข์ข้าหวันข้ามคืนไม่รู้จกวางนี่มันโกรธก็อยู่ในความโกรธข้าหวันข้ามคืนไม่รู้จะปล่อยจะวาง ดันอยู่เช่นนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อต่อชีวิตปวด ท, ทีหนึ่งเหมือนจุดไฟเผาตัวเองทุกข์ทีหนึ่งเหมือนเกือบเผาตัวเองมันไม่ทุกข์ก็ได้ไม่โกรธก็ได้ปล่อยมันออกมาหยุดมันออกมาเนืว่าเราใช่กายใช่ใจเป็นใช่รูปใช้น้ําเป็นนั่นก็ปวดภัยไม่มีภัย ชีวิตที่ไม่มีภัยเราเรียกว่าอาริยะไม่มีค่าสึกความโกรธเพค่าสึกความหลงเ่าสึกความทุกข์เพิ่าสึกไม่ให้มันมีชีวิตของเราไม่เหมือนสัตว์มันเป็นมนุษย์มันพัฒนาได้เคยหลงไม่หลงเคยทุกข์ไม่ทุกข์เคยโกรธไม่โกรธ มันไม่มีดีอะไรในความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความพอใจความไมพอใจมแต่เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ตัวเราเองเราจึงมาสอนเรามีสติให้เป็นผู้กํากับการใช้กายเอากายมาใช้อาวาจามาใช้เอาจิตใจมาใช้ขณะที่ใช้อยู่ก็รู้สึกรู้ตัว ปิดถูกยังไงถ้าผิดก็แช่ถ้าถูกก็ทำไปได้เป็นมันก็มีประโยชน์ถ้าใช่หัวจะถูกก็เป็นประโยชน์ไปบอกไปสอนป็นคนโกรธอย่ากโกรธเธอเพื่อนเลยอย่าหลงเธอน้องเอ๋ยเพยเลิกงานเชิญไปกินเหล้าอย่าไปถือเพื่อนกลับบ้านดีวกว่า รูปเหนียรอคอยจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหม่ทูกเวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยกันเราก็ช่วยตัวเราเพื่อนก็ช่วยกันเรียกว่ากัรระยะนามิตรนั่นก็ดีถ้าเราไม่รู้จักสอนตัวเราไม่รู้จักบอกกันมันก็ไม่มีประโยชน์เราเป็นสัตว์สังคม มีลูกมีเบียรมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนร่วมงานเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงเดือนตามพ่อก่อตามครูเราเนี่ยไม่ใช่เราเจ๋งคนเดียวถ้าเราเจ๋งก็พ่อแม่พาให้เราเจ๋งถ้าเราเจ๋งเป็นคนดีครูอาจารย์ถ้าพาให้เราเจ๋งเป็นคนดีถ้าเราไม่มีทุกข์มีโทษเลยก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พาให้เราพ้นภัย มีดีไม่ใช่เราเจ๋งวิเศษไม่เชื่อฟังใครต้องเคารพหลวงพ่อเทียนบอกเคารพไม่ตะกองขี้หมาขี้ไก่สิ่งไหนมันไม่ดีอย่าเข้าไปใกล้เคารพสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีควรทาสิ่งไม่ดีควรเว้นนั้นก็มีอยู่ในเราเนี่ยชีวิตของเรามันไม่เป็นอะไร เริ่มต้นน้อยๆ้อ ย, ยใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกตั้งเริ่มต้นที่นี่ถ้ามีความรู้สึกไปในกายมันจะบริสุทธิ์มีความรู้สึกไปในกายเฉยๆมันก็ขับสิ่งที่มีพิษออกไปจากกายจากใจได้เช่นมีอารมณ์รบความคิดถ้ามีความรู้สึกตัวไปในกาย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 ความรู้สึกตัวนี่มีความรู้สึกไปกับลมหายใจนี่มันไม่ใช่รู้เฉยๆมันขับพิษได้อะไรที่ไม่รู้มันก็ออกความโกรธความโลภความหลงไมาใช่ใจมันเป็นอารมณ์ถ้าเราลูแมันก็อย่าสัพ ก, กตวะพุทธัตะลังโอสถังโอสถังคือโอสุดสัพพทุขาสัพพโลคาสัพพพยามันหายได้ อันเนี้ยถ้าเราเริ่มต้นจากลมหายใจเข้าสั้นๆมีค่านะาเนี่ยจะเป็นความสงบความสงก็เริ่มต้นที่นี่ไม่ใช่ไปขว่คว้าหาที่อื่น น, นม่ไม่มีความสงบอยู่ที่ใจที่มีสติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า นัดทิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่ไม่ปุงไม่ไปไหนรู้สึกตัวอยู่หายใจเข้าหายใจออกยิ่งลมมันรู้สึกตัวไปในกายอีกเคลื่อนไหวหรู้สึกตัวแล้วก็ยิ่งมีพลังแล้วก็มีเท่านี้เราเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็พร้องกายค้องใจ มันเริ่มต้นที่นี่การหวางที่เราไปหาความสุขว่าจะได้อันโน้นได้อันนี้ถ้าไม่ได้ก็มีทุกข์เอาสิ่งอื่นมากําหนดถ้าเป็นสุขก็สุขแบบอมิตั้งยิงสิ่งที่ต่างๆเป็นสุขแทนที่จะหายใจอยู่นี่เป็นสุข หายใจเข้าหาชื่อออกอยู่ใกล้ตัวเว้นปัจจุบันเป็นปัจจิตตังในรู้สึกตัวเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมถ้ามีมความรู้สึกตัวเรียกว่าปฏิบัติตามทับถ้ามีความหลงก็ไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่เคารพรธรรมถ้าหลงก็ถือว่าไม่เคารพธรรมถ้าโกรธก็ถือว่าไม่เคารพธรรม ย่อมไปทุกข์เป็นโทษได้มาหัดมาฝึกหัดเริ่มทวนจากลมหายใจเข้าออกจนเห็นอะไรต่างๆไม่ไปกับเขาไม่แต่รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าอ่อนมิตรไหวกับลมหายใจตั้งไห้เอาสิ่งที่ผ่านเฉพาะ ว่าจะหมูกก็ได้ไม่ต้องไปบริกรรมยุบต่อคอหนอ่อพุทโธพุทโธอะไรหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเอาจากนั้นก็ะป๋าตั้งวิธีกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกรู้สึกเนี่ยนำมาใช้เรื่องเล็กน้อยมันเป็นการทั้งหมดของชีวิตถ้าเรารู้สึกตัวข็สอนกาย ถ้าเรารู้สึกตัวก็สอนจิตใจแล้วมันทั้งหมดแล้วแล้วพระเจ้าก่อนเป็นพุทธเจ้าจะก่อนพระองค์เป็นเจ้าพราชายเลี้ยนจบ 18, 37, สิบแปดศาสติสิบเจ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพระุทธเจ้าพอมาเรียนรู้เรื่องการเรื่องใจเนี่ยเกิดพุทธเจ้าขึ้นมาก็มันเห็นเนาะ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 ชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไรนี่เราได้ชีวิตชีวิตที่ไม่เป็นอะไรนี้อ่ะมันจะเหนือเกิดเจ็บเจ็บตายมันจะเห็นมันสุข ก, ก็เห็นไม่เป็นเนี่ยมันทุกข์ก็เห็นไม่เป็นเนี่ยมันโกรธก็เห็นไม่เป็นมันหลงก็เห็นไม่เป็นมันเฉอความพอใจไม่พอใจก็เห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยคือชีวิตแท้ๆแล้ว ม า, ามีชีวิตกันเถอะเราอย่าเอาไปห้อยไปเขียนไว้กับชิ่องอื่นเราไปห้อยไปเขียนไว้กับชิ่งไหนอ่ะผ่านมาเนี่ยวันที่ความลักอยู่กับเราข้าหวันข้ามคืนวันที่ความเียดชังอยู่กับเราข้ามวันข้ามเคื่อนไปห้อยไปเขียนกับความลักความชัางไปห้อยไปเขียนไ้กับป่านได้การเสียมันมีค่าอะไรมีเตี่ลงโทษตัวเองเศร้าหมอง ก็ไม่ใช่อย่างนั้นสิทธิของเราคือไม่เป็นอะไรงักตรงนี้ให้มันเป็นจะลุยโลกได้ถ้าไม่เป็นแล้วก็ลุยไม่ได้ถูกโลกทับถมเขาเดินทาก็เสียใจเขาสนเก็ดีใจอต่นั้นเป็นสมบัติของโลกการได้การเสียมันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของใคร มันเกิดมาแล้วอันโลกแบบเนี้ยก่อนเราการได้การเสียมันเกิดมาแล้วก่อนชีวิตเราที่จะมีมาเนี้ยดัน้นธอสันเสริมมันมีมาแล้วมันเป็นสวัสดของโลกคู่กับโลกผู้ใดที่จิตใจต่ำก็ถูกอันนี้ครอบงำบีบพี่เธอไปลงปล่อยให้ต่าต้อยลงปล ชีวิตตั้งชีวิตไปฝากไว้กับความได้ความเสียของมิห็นเธอสันเสริญไม่ใช่มันก็มีอยู่ปฏิเสธไม่ได้อย่าเอาไปห้อยชีวิตไปห้อยไปแขียนว่ากับจริงเหล่านั้นให้เหนือโลกอยู่เหนือโลกไม่ใช่อยู่เหนือโลกไป อ, อ, อยู่ที่ไหนอยู่ในแบบชีวิตของเราเนี่ยฝึกหัดให้มันเป็น ชีวิตเราไม่มีวันนี้วันเดียวมีวันข้างหน้าชีวิตเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเราอยู่กับสิ่งต่างๆมากมายไม่มีรถของโลกมากมายรถของโลกทุกวันเขาใส่สีใส่จีนใส่เสียงกง่าให้คนหลงดองดูดีชัวือซีในโลกนี้อันสิ่งที่สร้างให้หลงน่ะมีเท่าไหร่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 คนชั่วไม่มากกว่าคนดีเราจะอยู่ยังไงเรามาละผิดชอบกันมาดูแลกันมนุษย์ตาดำๆเป็นความสมบัติของชีวิตไม่ควรบียเบียนตนให้สงสารตัวเองเป็นถ้าสงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นได้ง่ายถ้าไม่สงสารตัวเองเป็นก็บียเบียนคนอื่นได้ง่ายเวยลาเราลงเนี่ยโอ๊ยน่าสงสาร เวลาเราโกดธ้นาสงสารยิ่งหายใจเข้าหายใจออกก็น่าสงสารถ้าหายใจเข้าไม่เข้ามันก็ตายไปแล้วเท่านี้หายใจ อ, อกไม่ออกก็ตายเท่านั้นต้นตายเคยตายเพราะลมหายใจนี่มาแล้วชีวิตเราไม่ใช่อเน่แย้กความสุขกันที่ใดถ้าไม่มีความสุขกับลมหายใจจะไปหาความสุขที่ใด รู้อยู่รู้อยู่เนี่ยชีวิตจริงๆริงไหมไม่เป็นอะไรเราสงสารถ้าไม่ได้หายใจเข้าหาจอจก็อยู่ไม่ได้ตนทุกไม่ได้กินข้าวก็อยู่ไม่ได้ไม่ถ่ายก็อยู่ไม่ได้ไม่อาบน้นก็อยู่ไม่ได้ไม่กินข้าวไม่ล่างหน้าแปงฟันอยู่ไม่ได้ชีวิตเราต้องอาศัย การใช้วิธ้ถูกต้องเฉพาะกายเฉพาะรูปนั้นก็เป็นคนทุกข์อยู่แล้วย้อนเอาคิดเอาใจไปบังคับมาเลให้ทุกข์ให้โกรธให้โลภหลงถงเข้าไปอีกมันเป็นโทษถ้าเรามีสติมันจะค่อยๆเลือออกขอหลอกเมื่อก่อนน้องตาไปสอนนักปวดของเวียดนาม เวียดนามไม่แต่คนหนุ่มคนสาวบวชกันต้งร้อยหกสิบพีวิตยอยู่ที่เดียวกันอุปโยงมาจากเวียดนามเวียดนามเขายังไม่เป็นประชาที่ปฏิตายอาจารย์ดิษฐ์เทตนเป็นอาจารย์คนมีศรัทธาสอนถูกต้องจนรุ่นใหม่้วก็ฟังเ้า เชื่อปฏิบัติตามออกบวช น, นใหญ่มากแต่ก่อนไม่มากพราะมีคนหนุ่มคนสาวออกบวชรัฐบาลเวียดนามก็มาเกิดอะไรขึ้นกูัว่าจะมีปัญหาอะไรก็ามาให้เจ้าหน้าที่มาติดตามดูเขาก็มานั่งปฏิบัติธรรมกันก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมกันทับไป เขาบอกว่าให้ศึกไปทำมาลถ้าจะอยู่นี่ก็ต้องศึกถ้าอยู่นี่เป็นเนื้กผัวไม่ได้ต้องศึกจะทำไงถ้ามีรัฐบัลมาไล่เราเนี่ยถ้าจะไปอยู่ไหนกันนะนี่เหมือนไปเราเป็นประชาธิปไตยสนุส น, นให้คนปฏิบัติทำให้คนเข้าวัดต่เวียด น, นามไม่ได้เพราะวัดไนี่เขามให้อยู่กันมาก การสอนก็ต้องควบคุมส่วนรุ่นใหม่เขาไม่งกแล้วต่าไปสอนศาสนาที่ไต้หวันส่วนรุ่นใหม่เขาพาไปดูวัดที่เขาอ้อนวอนจุดทุกจุดเถื่อนขอร้องมีพิธีรีตองต่างๆเขาพาเราไปดูขอว่าวอกหอกตาว่า ผมไม่แช่ถือศาสนาอ้าอนวอนพวกผมต้องปฏิบัติอยากได้เป็นคนดีก็ทําดีอยากเป็นคนดีก็ละความชั่วพวกผมศรัทธาหลวงพ่อมหาสอนเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ก่อนผมสูบบุหรี่พอหลวงพ่อมหาสอนผมก็เลิกสูบบุหรี่แต่ก่อนผมกินเหล้าพอหลวงพ่อมหาสอนผมก็เลิกดื่มเหล้าแต่ก่อนผมเคย โกรธเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่โกรธเพื่อนแล้วผมทําัวเองอยากเป็นคนดีผมตกลงความชั่วเองอยากเป็นมีคนมีความสุขก็ผมก็ละทุกข์เองจริงไหนเป็นทุกข์ไม่ทําแล้วก็ช่วยคนอื่นไม่เป็นทุกข์ด้วยเพรผมไม่ใช้ซื้อศาสนาอ้อนวอนนั่นพวกเราจะไปอ้อนวอนทีน่ไห น, นขอให้ได้ นผ่านประโจงโงตโขอยถึงมรคนิพพานนาคกตการเบื้องหน้านูน้นเถินไกลเท่าไหร่เบื้องหน้าไม่เอาวันนี้แล้วใจดีวันนี้จะไม่ทําขึ้นมากเลยใจเย็นวันนี้จะไม่ทํำหรือเบื้องหน้านู้นหรือไกลเท่าไหร่ฮะกี่ปีกี่ชาติชาติหนึ่งไม่ใช่น้อยนะมีภูเขาสูงรยโยยด พุกหนึ่งมีภูเขาสูงร่อโยนว่วงร่อยยโยนร้อยปีจะมีเทวดาเอาผ้ามิตรสลินตลอดมาปัดทีหนึ่งจนภูเขาลาบหลงเสมอพื้นดินมันนานเท่าไหร่เบื้องหน้าน้า น, นเทินมันานานเท่าไหร่เบื้องหน้านี่ใกล้ๆนะเบื้องหน้านี่ะ เราจะมีความสุขวันนี้ชั่วโมงนี้หายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเลิกโกรธกันวันนี้หยุดวันนี้เคเคยโกรธกันมาหยุดกันเถอะพูดทุกข์ก็ทุกข์หยุดกันโลภมีสิตินาะไม่ใช่อ้อนนอนทำเองชาติหลายกันก็ทําทําดีมันก็ดีทำชั่วกว่าชั่วเชื่อตองนี้ร้อยเปเซนแต่ไปคิดก็ไม่ดีมันก็ทุกตัวเอง ที่เราไปทุกไปโกรธคนดุริเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราโกรธเขาแต่คนที่โกรธนั้นไปทุกคนที่เราถูกโกรธเขาไม่รู้เลยเขานอนหลับสบายแต่เราเอามายคิดเอาไปฝากไปเขียนด้วยกับมันเสียไปเอาไปฝากไปเขียนกับสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เลยชีวิตต้องเป็นชีวิตเนี้ย ทำง่ายง่ายไม่เป็นเนี่ยทำง่ายง่ายถ้าเป็นมันยากวางเนี่ยงัดจากเนี่ยวันนี้มีแท้แท้ยกมือขึ้นรูมีจริงจริงไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้จึงจะรูไม่ใช่เลยปัจจัดตังใบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปัด จ, จัดตังปัจจุบันนี่เหมือนจริงเนี่ถ้าไปเชื่อใคร ชาติหน้าที่ไหนชาติหน้ามาตึงชาติก่อนก็รู้ยังไม่ได้เกิดท่อแม่ก็ไปเกิดใหม่มันไม่ช่ตินี่แหละมนุษย์สมมัติมนุษย์สมบัติทำดีเราทำชั่วยุดเลยม่ต้องดำเราจะทำดีปีญกว่าจาพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เว่นอยากทุจริตไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบ ไม่ทําไม่เคยเดือดร้อนไม่ทําตัวเองเดือดร้อนทําได้แต่ขาดเราก็เป็นประโยชน์มีเมียด้วยใช่ไหมเ <laughs> นี่ยจะมีความสุขนะมีผัวด้วยมีความสุขมีเพื่อนด้วยเนี่ยเราก็เสมอภาคกันหายใจเข้าหายใจออกเราก็เป็นค้อนทุกข์พ้นน้ำก็เป็นก้อนทุกข์มยช่วยกันนะมาช่วยกันนะมันเป็นจริงทําได้ สวนสวาคขาสวาา่สวนธรรมคุคลวิทยาศาสตร์ตอนน้ อ, อขึ้นหน่ย่ตอนน้ อ, อขึ้นวิทยาศาสตร์สวากขาโตภักควาตาธรรมโมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วสันติกโกผู้ศึกษาปฏิบัติจะต้องทำด้วยตนเอง อ า, า้วก็ได้กปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเดี๋ยวนี้ไม่วันพวกนี้ไม่มีการเกิดไม่มีการวั น, นทำดีก็รู้สึกตัวไม่จำกัดการรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปอาศัยอะไรที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนตรเนี้ต้นต้นพระพุทธเจ้ามาสอนอะไรมากมายจากวันเพ็ญเดือนแปดไปถึงวันเพ็ญเดือนสามเนี่ย ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนน่สอนเรื่องปฏิบัตินวมีพระหลานเกิดขึ้นเอาหนึ่งพันสองรอห้าสิบูปตั้งแต่เดือนแปดถึงวันเดือนสามนี่ยหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปมีแต่พลหลานทั้งนั้นระหว่างเนี่ยสอ น, นเรางนี่เช่นไปเห็นพวกทบปัทขีสามสิบสักหน่อยได้ไหม <laughs> เคยได้อ่านไหมประวัตินะทัพปะคีสามสิบเป็นหนุ่มเจ้าสำลานนึกจากเจ้าสำลานไหมหนุ่มสาวสำลานเจ้าสำลานมีคู่ทุกคนคนผู้ชายก็มีคู่เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็มีคู่เป็นผู้ชายพากันไปเที่ยวอาบน้ําเล่นน้ําไปในน้าสอดเครื่องประดับตกแต่งออก วางไหวบนฝั่งลงไปเล่นน้ำเตนุ่มคนหนึ่งไม่มีคู่ไปเอาโซพีนีมาเป็นเพื่อนไปกับเขาพอลงเล่นน้ำพวกนุ่มทั้งหลายก็เล่นน้ำสนุกสนานแต่โเพณนีเนี่ยมันคิดขึ้นมาเห็นเพื่อนหลาปลดเครื่องประดับตกแต่งไหวบนนอนเราจะต้องเลื่อซอดขึ้นไปก่อนเขา กอกลังเล่นอยู ak <ABS> <laughs> world, like, ่เอขึ้นไปแล้วก็สวมเสื้อเอาเครื่องประดับตกแต่งก็น้องวิ่งหนีเพรนี่พวกหนุ่มเจ้าตำรานถึงเวลาก็ขึ้นมาไม่เห็นขึ้นประดับตกแต่งก็วปองแรงก็บอกหนุ่มทั้งหลายก็วิ่งตามเห็นรอยมันวิ่งไปเนี่ยตามรอยวิ่งไปเจอตามเอาขึ้นมา หญิงโสเภณีก็ถือของได้ก็วิ่งหนีตามทากไปตอนนั้นพระเจ้าเดินทางมาออกไปใหม่หลังจากจะแต่งทาในเพน่้นแปดจิตแล้วก็บอกภิกษุไม่มากพวกเราเป็นผู้พ้นจากบ่วงแห่งมารแล้วไปไปประบอกสอนคนเพื่อประโยชน์เจคนหมู่มากเรามี เท่านี้ไม่มีมากไปคนละทางนะเราเองก็จะไปโน่นกุงอุลุเราจะคืออุลุเวลาเสนานคมจังแล้วก็พระเจ้าปล่อยอุลุเวลาเสนานะคมเราจะคือระหว่างเดินทางไปไปเจอพวกหนุ่มเจ้าสำลานะ่ะก็วิ่งตามเราพวกหนุ่มเราสมณะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่ไปนี่ไหม จะตอบอยังไงผู้เจ้าตอบมาสําน้าสำน้าเห็นผู้หญิงคนหนึง่งวิ่งไปนี่ไหมที่ลอยมานะ่ะเห็นไหมเนะี่ยจะทําำมาล่ะผู้เจ้าตอบอยังไงถ้าเป็นเราจะตอบอยังไงจะตอบไปไหมอ๋อเนี่ยเดินไปเนี่ยลอยมันวิ่งไปเห็นแล้วพระองค์สำน้ก็เดินมาเนี่ไม่เห็นเลยผู้เจ้าตอบว่าดูก่อน พวกเธอจะตามหาผู้หญิงคนนั้นดีหรือว่าพวกเธอจะตามหาตัวเองดีกั น, นไม่ต้องพูดนะเห็นไม่เห็นไหมตัวก่อนกันั้งหลับจะตามหาคนอื่นหรือจะดูตัวเองกันบ้างถ้าไปตามหาคนอื่นมันก็ไม่เห็นตัวเองนะตามอะไรแต่พระเจ้าพูดพู ด, พดจงมาตามดูตัวเองเถอะมันอะาร ให้เห็นตัว้ยงเนี่ยค่อยๆดุม่มพระองค์ก็ค่อยเ ย, ย็นลงเ ย, ย็นลงพระเจ้าเราจะแดงทําให้ฟังก็งเลยหม่าลู่ตุ้ยขนาดนั้นก็ลงโกรธจัดกำลังทุกเพราะมันเสียไปทุกอข์ประคองเสียไปสูญเสียชีวิตไปแล้วเพราะพระเจ้าบอกว่ า, วากลับขึ้นมาตัว้ยงไปสิมันเีอะไรมันโกรไปเบีย้ยงเบ้ กลับขึ้นมาโดยอ่อนหายใจเข้าหายใจขมขอ ด, ดึงค่อยลดลงลดลงลดลงเมารูดด้โดยอ่อนเห็นขมขอดเป็นอารมณ์ขมื่อคลงมันที่ใจเมื่อขี้มันโกรธเดี๋ยวนี้มันไม่โกรธหรอกค่อยค่อยีอยยใจพระเจ้าก็แสดงไ้ฝังให้ฝังไปใจก็เย็นลงเย็นลงพระเจ้าก็แสดงทําไปเรียกว่าเปลี่ยน ความร้อนเป็นความเย็นเพลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลียนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เวลามโกรธต้งวิ่งเหรอวิ่งไปไหนล่ะไม่ชี้ไปด่าไม่ชี้เนี่ยไม่ี้ไปไหนเนี่ยวิ่งไปเนี่แหลไม่จิงวิ่งล่ะเพราะหัวใจใจดีก่อนจะไม่ได้ด่ากันเมื่อเวลาทำมันโกรธก็กรีบด่วนเงินครับ เวลาโกตีลูกไม่รู้จักเด็กัวน้องไหหนันนบงบังบ่าลอยมือมีไ้ยความโกรธบางทีเสียใจทีลูกเจ็บแล้วมันวความโกรธก็หมดไปสงสารโลกเสียใจนอนลองให้นั่งลองให้เอาอยาหม่องไปทาลอยนิว้วอยนิ่วมือลอยไม่เรียว <laughs> แม่หลงตีนหลงหมือผิดพลาดไปแล้วเหี๋ใจประโวบชั่วของตัวเองนนอนย่าไปร่วมหน้าบมานกลับมาใจของเราไม่ได้โกรธปกติใช้ดีเสมอเวลาโกรธไม่ใช่ใจอารมณ์เวลามาทุกไม่ใช่ใจเป็นอารมณ์มันใช่ใจอย่าไปอารมณ์ว่าเป็นใจของตัวเอง ไปเอาความสุขเป็นใจเอาความทุกข์เป็นใจเอาความโกรธเป็นใจไม่ใช่เลยอารมณ์อารมณ์มไม่ใช่ใจใจมันไม่เป็นอะไรปกติปกติใจบ้านของใจคือปกติเราปฏิบัติเนี่ยมันคิดไปรน่นกลับมากลับมามันคิดไปนน่นกลับมาแล้วกลับมาบ่อยๆมันจะโกรธเย็นเขาลกลับมากลับมาใู้ใจดีขึ้นมาค่อยๆพูดกัน โอโดวอยเจ้าสำลังก็ใจเย็นลองยนลองศึกษาหาทางเลือกด้วยการคิดขึ้นมาเอาอยัางไงกันดีบริสุ์ก็เปลี่ยนแปลงจิตใจงลรานี่ชีวิตของเราสอนมันตรงนหนมันคิดไปบ้านกลับมาสอนใจมันรู้สึกตัวอยู่ไหนร้อนรยอยู่ไหนมันมีนิมิตที่ตั้งเอาไว้เนี่ยกรรมคือการกระทาให้รู้อยู่เนี่ยฐานคือที่ตั้งไม่รู้เนี่ย มันช่วยได้มันแปลกรมมาแปลกำมาวางหน้าวางตาใหม่วางใจใหม่วางกายใหม่มันจะมีสิ่งดีๆแล้วอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนความรอาเยเป็นความดีเปลี่ยนความลงกับความรูงเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปียนให้สิ่งที่ปีทั้งหลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาเนียปฏิบัติ แต่ว่าปฏิบัติอยู่ไหนล่ะอยู่กับเรานะไม่ใช่อยู่สุกตัวกับไปบ้านไปทางา น, านมันจะมีอะไรเกิดขึ้นรู้จักตัวต่อทุกคนทนนําต่อนี้อแล้วต้นต่อโโลทุกคนน้องก็สงบเลยมีความเมตตากุณาเกิดขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างลเลยทเดียวลงต่อไปสอนพวกเวียดนาม น่ัทธาเขานะศัทธาเขาเขาก็เริงนะปฏิบัติกันเราก็ชอบแบบเราเนี่ยชอบแบบปฏิบัติธรรม